บทที่ย2ทรับเคลื่อนที่ได้ไอ้หนูอย่าเดินเรือนดังซับจะหนียายบอกหลานมหนุ่มน้อยเดินลงส้นตึงๆ จนบ้านสะเทือนขณะลูกออกไปยกสำรับในครัวไม่หนีหรอกยายเดินเบาๆต่างหากละ่ะซับถึงจะหนียังจะมีหน้ามาเถียงอีกแนะ่เองนี่ยิ่งว่าก็เหมือนยิ่งยุยิ่งดุก็เหมือนยิ่งดือ้อเด็กอะไรให้ผู้ใหญ่บ่นจนปากเปียกปากแฉะอยู่ได้เรื่องเดินเรือนเนี่ยยายพูดมาเป็นร้อยๆครั้งแล้ว ตอนเด็กๆนุมเหมือนว่าจะสอนง่ายกว่านี้ยายบ่นยืดยาวหนุ่มน้อยยิ้มรับอย่างอารมณ์ดีต้องทำอารมณ์ให้ดีเข้าไว้เพราะพรุ่งนี้เป็นวันพระวันที่ยายไม่อยู่บ้านและเขาจะจัดการขโมยทองไปขายบาัดนี้เขาเลิกเล่นโยนหลุมแล้วแต่หันมาเล่นถั่วเล่นโปแทนเรื่องการพนันขันต่อเขาชอบนะัก แต่เล่นทียวไรเจงทุกทีขอยืมคําของยายมาใช้หน่อยเถอะยายครับผมไม่ได้เถียงนะครับแต่ผมพูดความจริงถ้ายายจะไปขโมยเงินใครก็นะเดินดังๆเจ้าของบ้านก็รู้ตัวแต่ถ้าย่องเบาหนะสบายมากเจ้าของไม่รู้ตัวเลยผมถึงได้พูดว่าเดินเบาๆซับถึงจะหนียังไงล่ะ เขานึกถึงคืนวันที่ขโมยเงินในปีปของยายโดยใช้วิชาเดินเบาที่ยายสอนขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเองไม่ต้องมาพูดยอกย้อนหรอกถึงยังไงยายก็ไม่เห็นดีเห็นงามไปกับเองเหมือนสักชาติหนึ่งโทษยายแล้วก็ไม่รู้จักหมุนสมองให้ทันสมัยเสยบ้างเลยหลานชายว่า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 ไว้อาบน้ําให้ยายกับให้แม่ตอนสงกรานจะซื้อผกเขามาให้พ่ออีกด้วยนุ่มน้อยคิดเข้าข้างตัวเองว่าสิ่งที่กําลังทํานั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะเขาไม่ได้นําเงินไปใช้เฉพาะส่วนตัวเองแต่จะเผื่อแผ่มาถึงยายและลูกสาวลูกเขยของยายอีกด้วยยายครับพรุ่งนี้จะไปวัดตอนกี่โมงทั้งที่รู้ หากก็แกล้งถามเองถามทำไมมีแผนจะขโมยอะไรไปขายอีกละ่ะคนเป็นยายไม่รู้สักนิดว่าคำพูดนั้นแทงใจดำคนเป็นหลานผมน่าหรือจะขโมยถ้าผมขโมยของยายก็แปลว่าขโมยของตัวเองนะสิเพราะยายบอกว่าของเหล่านี้ยายยกให้ผมแต่ยายเคยบอกเองแล้ว ว่าให้แบ่งนางเหรียญมันบ้างใครจะรู้เองอาจจะไม่ขโมยของตัวเองแต่อาจจะขโมยส่วนของนางเหรียญมันก็ได้ทำไมยายจะไม่รู้ว่าเงินกรมในกระบอกไม่ไผนะ่หน่ะหายไปเพราะฝีมือของใครผมไม่เคยขโมยอะไรของยายหนุ่มน้อยยังคงปากแข็งอย่ามาพูดหน่อยเลยล้านเอ้ย คนอย่างเองน่ะพออ้าปากก็เห็นไรฟันต่อให้องมพระมาพูดยายก็ไม่เชื่อและถ้าอมขี้หมามาพูดละ่ะยายจะเชื่อหรือเปล่าอมพระนะ่ะใครๆก็ทำได้แต่ถ้าอ์ขี้หมานี่สิถ้าใครทำได้ผมว่ายอมเชื่อเขาพูดความจริงไม่ได้โป้ปดมดเท็จเอ็พูดอะไรนะยายคลื่นไส้แล้วนะ ปรเดี๋ยวก็เลยกินข้าวกินปลาใหม่ลงพอกันทียายเอ็ดเพราะกำลังลงมือจะกินข้าวเช้าก็ยายอยากมากล่าวหาผมขโมยหลานชายยังบนยายอดรนทนไม่ได้จึงพูดขึ้นว่าเงินกรมในกระบอกไม่ไผ่ของยายนะ่ะมันหายไปไหนถ้าไม่ใช่ฝีมือของเองขโมยจากบางกอกมันคงไม่ลงทุนมาลักของยายหรอกนะ อะไรอะไรก็โทษผมที่คนอื่นไม่เห็นโทษบ้างหนุ่มน้อยเถียงไปข้างๆคูคูจะมีใครที่ไหนมาขโมยอีกละ่ะในเมื่อมีกันอยู่สองคนแค่นี้อ๋อหรือว่าจะไปโทษนางด่างกับ น, น้องดำเอ็งจะโยนความผิดให้หมาว่างั้นเถอะเอาละเอาล่กกินข้าวกันได้แล้วยายล่ะก็บนทั้งก่อนอาหาร หลังอาหารจนผมคร้านที่จะฟังเมื่อไรจะเลิกบ่นสักทีก็ไม่รู้ขนาดบ่นอย่างนี้เองก็ยังเอาดีไม่ค่อยจะได้ยายว่าก็ยายบ่นมากเกินไปมันเลยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูหมาทะลุหูแมวไม่เหลือค้างไว้ให้ผมจดจำเพื่อนำไปปฏิบัติบ้างเลยคนอายุ16หาทางออกจนได้ งั้นยายเลิกบ่นก็ได้ประเดี๋ยวอิ่มข้าวแล้วจะได้ไปตลาดกันวันนี้ต้องซื้อของหลายอย่างทั้งมะพร้าวน้ำตาลหมูนิสังขารของยายก็ร่วงโรยลงไปมากหาบของก็ไม่ค่อยจะไหวก็ได้พึ่งพาอาศัยเองนี่แหละขนาดจะเลิกบน่นยายก็ยังอดบ่นไม่ได้และยังไม่เคยว่าผมดี ขาดผมไปสักคนยายจะรู้สึกไอ้หนูเอ้ยที่ยายบ่นยายว่าเองทุกวันนี้ก็เพราะรักเองอยากให้เองได้ดีหรอกนะเอาเถอะวันนี้เองอาจจะรําคาญในสิ่งที่ยายพูดแต่ต่อไปในวันข้างหน้าเมื่อเองโตเป็นผู้ใหญ่เองจะรู้ว่าสิ่งที่ยายบอกยายสอนนั้นนะ่ะมันมีประโยชน์จําเอาไว้ครับ ผมจะจำถ้าหากว่าไม่ลืมคืนนั้นหนุ่มเจริญสวดมนต์นานกว่าปกติเขาเข้าไปสวดในห้องพระเช่นเดียวกับยายจนยายลุกออกมาแล้วเขายังคงนั่งสวดมนต์อยู่อย่างนั้น ถ้าจะสานึกได้แล้วมั่งไม่เสียแรงที่เฝ้าอบรมบ่มนิสัยยายนึกขณะเดินกลับห้องมานอนข้างฝ่ายคนกำลังสวดมนต์กลับคิดว่าคาถาเดินเบาของยายนิชงัดจริงๆเราขโมยเงินยายได้จนไปตั้งหลายวันยายยังไม่รู้เลยทว่าพรุ่งนี้เขาจะต้องทำงานใหญ่กว่านั้นจึงพยายาม นึกบทสวดมนต์ที่ยายเคยสอนเริ่มตั้งแต่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหงมหาการุณิโกคถาชินะบัญจรจนถึงยอดพระกันไตรปิฎกสวดผิดผิดถูกถูกไปตามเรื่องเพราะไม่ได้เอาใจใส่ทั้งที่เป็นคนจำเก่งและสติปัญญาเป็นเลิศ สวดมนต์เสร็จเขาจึงตั้งจิตอธิษฐานออกมั่นใจว่าต้องคลั่งเหมือนคราวก่อนจะประคุณขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยให้ลูกช้างขโมยเงินของยายสำเร็จเถิดลูกช้างจะได้มีเงินซื้อผ้าผ่อนท่อนสบายให้ยายกับแม่ซื้อผ้าขอม้าให้พ่อบุคคลทั้งสาเป็นผู้มีพระคุณกับลูกช้าง ขอให้ลูกช้างได้ตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยวิธีนี้ด้วยเถิดเจ้าข้าอธิษฐานเสร็จจึงกราบสามครั้งแล้วก็ลุกไปนอนรู้สึกจิตใจผ่องใสเบิกบานยังไม่เคยเป็นมาก่อนรุ่งเช้าเมื่อส่งยายขึ้นศาลาแล้วนมเจริญก็เตรียมตัวกลับดูเขาเร่งรีบจนยายสงสัยจะรีบไปไหนล่ะไอ้หนู รับศีลรับพรพระเซ ก, ก่อนแล้วค่อยกลับยายชวนไม่ได้หรอกยายผมจะต้องรีบกลับไปทำงานมีงานรอยอยู่ตั้งเยอะบ้านช่องรกเรือมีอยากย่าไ ย, ย, ายแมงมุมข้าวสารกำลังจะหมดน้ำก็แห้งโงคววันนี้ทั้งวันจะทำให้เสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดอย่างรู้สึกหนักใจมูนี่เองดีผิดสังเกตนะไอ้หนู เมื่อคืนก็สวดมนต์นานกว่ายายอีกเอ็งไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่นาสงสัยน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวเสียละมั่งยายสับพยอกยายผมไม่เข้าใจเลยนะผมดีก็ว่าผมไม่ดีก็บน่นจนผมทำตัวไม่ถูกแล้วหลานชายกระเงา้ากระงอดเอาเธอเอาเธอจะกรับก็กราบ คืนเองอยู่นานประเดี๋ยวจะทำให้ศีลของยายด่างพร้อยกลับไปซะหนุ่มน้อยจึงได้กลับบ้านด้วยความหวังว่าจะต้องทำงานสำเร็จนั่งด่างกับนางดำวิ่งออกมารับเมื่อเขากลับถึงบ้านหนุ่มน้อยไม่เสียเวลาขึ้นเรือนหักตรงไปที่ใต้ถุนตรงที่เขากับยายฝังหายบรรจุเงินและทองเอาไว้จัดการเปิดกระพร้อ แล้วก็หาเสียมาขุดดินเมื่อขุดเสร็จก็ต้องประหลาดใจโดยไม่พบหายสองลูกนั้นตรงที่วางหายมีรูทะลุออกไปทางหลังเลือนแสดงว่าจะต้องมีคนมาลักออกไปคนคนนั้นเป็นใครกันเล่าก็มีเขากับยายเพียงสองคนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้หรือว่ายายไปบอกป้าเหรียญ ก็ เ, เลียแอบมาขุดขโมยเอาไปคงเป็นไปไม่ได้เพราะเวลาห่างกันชั่ววันพระเดียวแล้วยายก็อยู่บ้านตลอดแสดงว่าต้องเป็นขโมยจากที่อื่นมาลักเอาไปอย่างแน่นอนเราจะบอกยายดีไหมนะถ้าบอกยายก็ต้องรู้ว่าเราจ้องจะขโมยแล้วก็เกิดยายเสียใจจนหัวใจวายเราคงบาปน่ะสิไม่บอกดีกว่า เอาไว้ให้ยายรู้เองก็แล้วกันหนุ่มอายุสิบหคิดว้าวุ่นรู้สึกหมดเรียวหมดแรงจนขึ้นบ้านแทบจะไม่ไหวนังด่างกับนางดำส่งเสียงร้องงิงงงเพราะว่าเขายังไม่ได้ขุนข้าวมันอยากร้องก็ร้องไปเถอะข้าเองก็หิวยังไม่มีแกะใจจะกินเลยในเมื่อข้าโชคร้ายเองก็ต้องโชคร้ายไปด้วยเขาคิด า น, านเอาละ่ะในเมื่อนัดกับเจ้าโกะและเจ้าจุกไว้แล้วว่าจะไปเล่นถั่วเล่นโปจะยอมเสียคําพูดไม่ได้เห็นจะต้องแอบขโมยเงินในปี๊บยายนี่แหละไปเล่นบ้านช่องไม่ต้องห่วงหรอกเพราะนางดํากับนางด่างมันคงไม่หนีไปเล่นที่อื่นอีกอย่างหนึง่งจะหายเงินหายทองก็ไม่อยู่แล้วขโมยมันจะลักอะไรก็ชังหัวมัน คิดได้ดังนี้เรียวแรงก็กลับมามีราวปฏิหารเขาจัดการขุนข้าวนางสองตัวนั้นจากนั้นก็กินข้าวเช้าอิ่มแล้วเขาก็เข้าห้องยหญ่ขโมยเหรียญทองแดงมาสองกำมือเรียมเอาไว้ยังไม่ถึงเวลานัดจึงเข้าห้องนอนเอาแรงตื่นแล้วค่อยไปเล่นไม่ทันถึงชั่วโมง สามสหายก็หน้าเหี่ยวแห้งไปตามๆกันเพราะเล่นเสียเงินหมดแล้วก็เล่นต่ออีกไม่ได้จึงต่างแยกย้ายกันกลับบ้านของตนวันหน้าโชคคงเป็นของเราบ้างนะเพื่อนนะหนุ่มกันเชียงปลอบใจเพื่อนวันพระไม่มีหนเดียวเราจะแพ้ได้ทุกครั้งก็ให้มันรู้ไปหนุ่มจำรัดพูดบ้าง ส่วนนุ่มจเจริญรู้สึกอ่อนเปรียบเพียแรงจนไม่อยากจะพูดเขาเดินคอตกกลับบ้านโลกชังโหดร้ายต่อเขาเสียละเกินขุดทองก็ไม่พบและยังต้องเล่นเสียจนหมดเนื้อหมดตัวอีกอยังอีกนานกว่าจะถึงเวลาไปรับยายเขาจึงจัดแจงทำความสะอาดบ้านและตักน้ำใส่โอง่งเขาไม่ต้องไปเรียนดนตรีที่บ้านครูสงใจอีกต่อไป โดวยว่าเล่นเป็นหมดทุกอย่างทั้งทำปีพาดสีซอตีขิมเล่นจะเข้เป่าปีตีชิงเขาทำได้ทั้งนั้นและที่ชํานาญมากที่สุดก็คือทำปีพาดเสร็จจากตักน้ำแล้วเขาต้องเสียเวลาเช็ดบ้านอีกเพราะน้ำหกเปียกกระดานแล้วคิดได้ว่าคราวต่อไปจะตักน้ำก่อนแล้วค่อยถูบ้าน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 อิ่มแล้วนอนเอาแรงรอบที่สองรอเวลาที่จะไปรับยายล้านชายหาบแสรแรกเดินนำหน้ายายเดินตามหลังคนอา ย, ยุเจ็ดรอบรู้สึกแปลกใจอีกครั้งที่คนเป็นล้านดูเงียบเหงาซึม ก้มหน้าก้มตาเดินงุดๆไม่พูดไม่จาไอ้หนูเอ็งไม่สบายหรือเปล่ายายถามขึ้นผมสบายดีทำไมยายถามอย่างนี้ละ่ะก็เห็นเอ็งเงียบผิดสังเกตทุกทีคุยจอ้อวันนี้ผมไม่อยากคุยเขาพูดห้วนหวนอย่างนั้นหรือเอาล่ะเมื่อเอ็งไม่อยากคุย ยายก็จะไม่ถามเส้าซีให้เอ็งรำคาญใจยายกับหลานจึงเดินกลับมาเงียบๆกระทั่งถึงบ้านก่อนนอนยายเข้าไปสวดมนต์ภาวนาในห้องพระเช่นเคยทาว่าวันนี้ไม่เห็นหลานชายเข้ามาไหว้พระที่จริงเขาทำเช่นนี้เป็นปกติเพิ่งจะเมื่อคืนวานนี้เองผิดปกติไปอยากรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น จึงเดินไปดูที่ห้องนอนของหลานหนุ่มเจริญกำลังนอนเอามือกา่ายนับผากพายใต้แสงตะเกียงริบ ป, ปรีคลันเห็นคนเป็นยายเดินเข้ามาจึงลุกขึ้นนั่งถามว่ายายมีอะไรจะใช้ผมหรือเปล่าไม่มีหรอกทำไมเองไม่ไปไหว้พระสวดมนต์เหมือนอย่างคืนวานละ่ะสวดทาไมกันทุกวันทุกวันไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมา คนตอบรู้สึกงุดหงิดนึกโกรธพระที่ไม่ช่วยให้แผนการของเขาสำเร็จลุล่วงอุตสาหลงทุนสวดมนต์เป็นนานสองนานอย่าพูดแบบคนมิจฉาทิฏฐิสิลานเอ้ยการสวรดมนต์ก็เพื่อสะสมบารมีหน้าหลานถ้าเรามีบารมีมากๆเมื่อเกิดเคราะหามยามร้ายก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไม่จริงหรอกยาย เมื่อคืนผมอุตส่าห์สวดมนต์ตั้งนานแล้วอธิษฐานให้พระท่านช่วยเสร็จแล้วเป็นไงา ย, ายายรู้ไหมท่านไม่ช่วยผมเลยยายจึงพูดอย่างรู้เท่าทัานว่าแสดงว่าสิ่งที่เองอธิษฐานนั่นเป็นอกุศลเป็นบาปพระท่านไม่ช่วยในทางผิดหรอกไอหนูที่ยายพูดมาเนี่ยจริงหรือเปล่าล่ะหนุ่มน้อยไม่กล้าตอบ เพราะถ้าถูกยายซักแล้วความลับจะแตกยายหมูนี่ป้าเหรียญมาเยี่ยมยายบ้างหรือเปล่าเขาเรียบเคียงถามเปล่ามันจะเอาเวลาที่ไหนมาเมาทั้งวันอย่างนั้นและยายละ่ะไปเยี่ยมแกบ้างหรือเปล่าเปล่ายายจะเอาเวลาที่ไหนไปงานยุ่งทั้งวันอย่างนี้ยายตอบ ใกล้ๆประโยคแรกงั้นแกก็ไม่รู้เรื่องที่ผมกับยายเอาสมบัติไปฝังไว้ในถุนนะสิใช่ไหมยายเองอยากให้มันรู้นักเรื่องไงไม่อยากครับคืนรู้แกจะได้ขโมยไปขายเอาเงินซื้อเหล้ากินจริงๆนะยายปลาเหรียญเนี่ยแกทำให้เสียชื่อเสียงวงตระกูลถ้าผมเป็นยายจะไม่นับแกเป็นลูกเลยละ่ะนึกซะว่าเลือดก้อนหนึ่งโยนให้หมามันกินไป ไอ้หนูอย่าไปจงเกลียดจงชังมันนักเลยแค่นี้มันก็มีกรรมมากพออยู่แล้วถึงยังไงมันก็เป็นลูกของยายจะผิดก็ลูกจะถูกก็เลือดใครจะไปเฉือนไปเชืออมันได้ไง่ายๆเอาไว้เองมีลูกแล้วจะรู้ซึ้งถึงความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกเอาละยายจะไปนอนสียที พรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าละ่ะจะได้ไม่ไปโรงเรียนสายคนเป็นยายออกไปแล้วหลานชายจึงดับตะเกียงแล้วนอนเอามือกายหน้าผากเหมือนเดิมแสดงว่าป้าเหรียญแกก็ไม่ได้มาขโมยหายเงินหายทองไปเอและมันหายไปไหนกันละ่ะหนุ่มน้อยนอนกรุ้นคิดยายล้มตัวลงนอน เอามือวางบนท้องกําหนดพองหนอเมื่อท้องพองและยุบนอเมื่อท้องยุบสมภารวัดสัทธาพี่รมสอนกรรมฐานให้ยายทำอะไรก็ต้องมีสติยืนเดินนั่งนอนคูแขนเหยียดขาต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเหตุนิยายจึงฝึกสตินอนมีสติ เตื่นมีสติยายฝึกอย่างนี้ทุกวันพอเคริมเคริมจนจะหลับสติจึงบอกยายว่าล้านคนนี้สกปรกคิดจะเอาทรัพย์ไปทำลายทรั์เลยเคลื่อนที่หนีไปอยู่ป่ากระชายโน่นห่างจากที่เดิมไปห้าวายายกำหนดเลืมตาลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างแล้วเปิดออก ข้างนอกเดือนมืดด้วยเป็นวันพระข้างแรงคนอายุ8ปบสีมองฝ่าความมืดไปที่ปากระชายอธิษฐานจิตว่าหากเสียงที่บอกกล่าวนั้นเป็นความจริงขอให้ยายได้รู้ว่าซับอยู่ที่นั่นสิ้นคำอธิษฐานก็ปรากฏลำแสงสีทองพุ่งจากปากระชายยายกำหนดเห็นหนอเห็นหนออยู่นาน เพื่อจะตรวจสอบว่ามิได้ตาฝาดไปได้เห็นจนเป็นที่พอใจแล้วยายจึงพูดขึ้นว่าเอาละข้าเชื่อแล้วขอบคุณเทวดาที่ช่วยรักษาทรัพย์ไว้ให้ค่าเมื่อยายพูดจบพลันลำแสงสีทองก็หายวับไปกับตาจึงปิดหน้าต่างแล้วเดินกลับมานอนคิดในใจว่าไอ้หนูเอ้ย เองนี่เลี้ยงเสียเข้าสุขจริงๆเสียแรงที่ยายเลี้ยงมาแล้วก็รักปานแก้วตาแก้วใจแต่ถึงเองจะเป็นยังไงยายก็ยังคงรักเองไม่น้อยไปกว่านี้